ในช่วงของการฟังธรรมะที่เราฟังอยู่กันเป็นประจำทุกวันเมื่อฟังธรรมะแล้วแล้วก็พยายามที่จะทำจิตใจของเรานั้นให้รับนะธรรมะเข้าไปในสู่ใจให้ได้แต่เข้าถึงจริงๆคำว่าเข้าใจเข้าใจคือให้ แต่ความร่าเริงในธรรมะนี้แม้ถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนมันเป็นม่วนไปมีความสุขได้ฟังเป็นความสุขที่เกิดจาก มีความร่าเริงในธรรมเวลาที่เราจิตใจเราเปิดรับมีความที่ เป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนอ่อนเหมาะแต่ควรแน่น แล้วก็เหนียวเนี่ยมีลักษณะของความนุ่มอยู่ใน แต่ว่ามันแข็งด้วยความเป็นทองคําและจิตใจที่ฟังธรรมะแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน มันเปรียบเหมือนกับน้ำฝาดที่มันยังมีอยู่ในเนื้อของทองเช่นตะกั่วดีบุกเงินอะไรพวกนี้ จิตใจของเราก็เหมือนกันนะถ้ามีเอ่อรดฝาดในจิตมันมีความหิว นะบึ้มไปเลยนั้นนี่คือจิตใจที่มีรสฝาดอยู่แล้วพยายามที่จะเอาเนื้อร้ายตรงนี้ ผู้ที่เห็นตรงนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ที่เรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นปฏิจจสมุปบาทก็หมายความว่าเห็นธรรมที่เป็นการที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นในกิเลสมันก็ต้องอาศัยจิตเกาะอยู่นั่นล่ะแล้วมันก็กินทําลายจิตนั่น แต่ฉะนั้นในเรื่องวิบากแห่งกรรมนี่ก็หมายความว่าเราเป็นผู้ที่จะรู้ถึงความเป็นเหตุเป็นผล แต่เหตุผลของคนที่ยังมีกิเลสมันจึงต้องเป็นเหตุผลของความเป็นอย่างที่เราคุย นะมันเป็นคนที่อาจจะเป็นของที่ไม่บริสุทธิ์ที่มี จิตมีค่ามากชีวิตเนี่ยมีค่ามากมันมีค่าที่จะบันดาลสุขบันดาลทุกข์ให้คุณ สิ่งใดๆที่เราจะเจอมันก็ทางทางนี้แหละทางใจนี่แหละทุกอย่างมันจะไหลรวมมาที่นี่ดังคือ แต่ถ้าเราทำใจให้มีความสุขได้เนี่ยคุณมากนะมากกว่าที่คุณจะไปหาบ้านหารถหาสิ่งอะไร นปอทุกอย่างมันจะมารวมกันอยู่ในใจของเราในใจของ มันไม่เกี่ยวข้องกันยังไงทําความเข้าใจเข้าไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคุณจะมารู้เรื่องฉลาดในเรื่องๆเนี่ยมันยังไม่ หมายความว่าแทนที่จะเอาคุณเอาคือด้วยฟังด้วยใจที่เป็นหนึ่งนั่นเอง มันเหนียวแล้วมันไม่มีรสฝาดในทองคําแล้วนะเป็นทองๆว่ามีความ เพราะว่ากิเลสที่เป็นอคันตุคาจรมานะกันในถ้าเราพ้นวิเศษๆนะ <lan luxury ella> แล้วคือเมื่อทีเรานั่งสมาธิไปนั้นจิตเข้าสู่ความเป็นสมาธิแล้วสบายแล้วดับไปละดีละแล้วออกจากสมาธิปุ๊บอ้าวมีคนด่า นั่นคือจริงๆมีการกับความเริบนั้นเราจะทําเราไปควบคุมสิ่งอื่นดีกว่าไหนไปควบ น่ะก็ทําให้ใจของเค้าว้าวุ่นนั่นเองมันเป็นผู้ที่มีกิเลสที่เป็นอกันทุกะจรมาครอบงําจิต ว่าให้เราทําอะไรบางอย่างในเพื่อที่จะเฮาเข้าถึงความที่เป็นผู้ที่พ้น แต่ที่แน่ๆน่ะคือไม่ทําให้เราทุกข์อีกต่อ เปรียทมา.com สถานี 06 หรือว่าถ้าอยากจะเขียนจดหมายก็ได้ 1 หมู่ 8 ตําบลดอน